เตรียมกันแล้วให้สชำรมกายเคยชำรมมาให้ไม่สติที่เราเคยได้เลึกให้ไม่จิตใจรู้ตัวตามที่เราเคยปฏิบัติรู้มาแล้วสิ่งที่เราปฏิบัตินี่ไม่ใช่เป็นของใหม่ทุกอย่างเหมือนปฏ่เราปฏิบัติมาแล้ว ที่เราปฏิบัติวันก็ปฏิบัติตัวของเราอย่างนี้วันนี้ก็ปฏิบัติอย่างนี้ส่วนธรรมะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลกก็ไม่รูปธรรมนามธรรมาเหมือนเดิมส่วนเกี่ยวเนื่องโดยความสงบแล้วไม่สงบมันก็มีเหมือนเดิมเมื่อเราตรวจรองเห็นชัดทุกส่วนตามความเป็นจริง ส่วนไหนที่ส่วนทุกข์เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆไม่ใช่ว่าส่วนทุกข์เราจะมาแก้บิดเบือนความจริงให้มันได้ความสุขมันนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ส่วนไหนไม่เที่ยงเราจะพยายามทำให้เที่ยงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นธรรมสิ่งที่ทุกข์นั้นเป็นธรรม เหมือนกับไฟเป็นของร้อนความร้อนของไฟก็มีจังเป็นไหนจะได้มามันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของมันเองธาตุของเขาเป็นธาตุอย่างนั้นถ้ามันไม่ร้อนเขาก็ไม่เรียกว่าธาตุไฟส่วนธาตุลมก็ต้องพัดไปพัดมาอยกอย่างนั้นถ้าไม่พัดไปพัดมาเขาก็ไม่เรียกว่าธาตุลม ถ้ามันว่างอยู่ไม่มีลมก็ก็เป็นอากาศว่าอากาศธาตมันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นส่วนในธาตุอวารทุกส่วนทุกมันก็มีอยู่เป็นความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเหมือนกับส่วนร้อนในโล ก, กระร้อนมันก็มีอยู่เย็นก็มันก็มีอยู่เป็นคู่กัน เมื่อส่วนทุกไม่อยู่ความสุขก็ไม่อยู่เป็นคู่กันจึงไม่คู่คู่กันถ้าส่วนไหนไม่กำลังมากส่วนนั่นส่วนนั่นก็มีอำนาจกาจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนสามารถมันมความร้อนไม่กำลังมากสามารถกำจัดความเย็นออกอำนวยทนเองให้เกิดความร้อนทั่วไปเลยแต่ถ้าหากส่วนไหน นีกำลังมากส่วนเย็นนี่กำลังมากก็อาจะสามารถใช้อำนาจของตนแผ่ความเย็นไปหมดความร้อนก็ค่อยหมดไปหมดไปในจิตใจของเราทั้งหลายก็เป็นคู่คู่ความสุขความทุกข์ก็เป็นคู่ความดีความไม่ดีก็เป็นคู่ความสงบความไม่สงบมันก็มีอยู่ในใจิตใจเป็นคู่คู่ เมื่อทำทั้งหลายเป็นโค้ดนี้อยู่อย่างนี้เราจะเอาส่วนไหนเราจะบำรุงส่วนไหนเราจะกำจัดส่วนไหนเมื่อเราปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเราก็พยายามละสิ่งที่ไม่สงบเล็กเลี่ยงสิ่งไม่สงบที่มาก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบ จิตไม่สงบมันมีลักษณะให้ฟุง้งซ่านให้รำการให้หลงให้เผลอี่ลักษณะจิตที่ไม่สงบจิต ท, ที่จะสงบได้นะเราต้องปรับตรุงจิตใจของเราให้ตีมีศรัทธานี่อันนี้เป็นหนทางที่สงบได้พอจะเป็นสมาธิได้เมื่อเรามีศรัทธา รักษาจิตใจของเราให้ดีไม่ให้ฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นเรานําเอาธรรมะมากํากับกับจิตมาประกอบกับจิตเราจะเอาพุทธโธมาประกอบกับจิตจะ ก, กันลึกขึ้นมาให้กํากับประกอบอยู่ด้วยกันหรือประกอบด้วยกัน ไม่ให้มันวอกแวกไม่ให้มันขนองไปตามตามเคยที่มันเคยไปทําใจของเราให้หนักแน่นลึกบริกรรมจะเอาพจนโชกันระลึกพจน์โชรละลึกแล้วระลึกอีกถ้ายจิตไม่มองเห็นความสําคัญแล้วก็จอไงหเห็นความสุขเห็นความสบายความสุขความสบายไม่ใช่จะมีอยู่ในแต่วัตถุอย่างเดียว ไม่ใช่มีอยู่แต่สิ่อื่นอย่างเดียวเราไม่มีสินใจเรานั่งว่างๆให้ความสบายอาจจะเป็นความสบายที่มั่นคงที่หาได้ง่ายถ้าเราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจก็ยิ่งหาได้ยากทำการทำ ง, งานหาเงินหาทอง เอาเงินอยู่ในกระเป๋าคนอื่นมาเป็นกระเป๋าของเราก็นึกว่าจะง่ายกว่าที่มานั่งสมาธิในพุทธโธพุทธธอจิตสงบแต่พูดถึงความจริงนะความสงบไม่มีใครหวงแหนไม่มีใครเป็นเจ้าของอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกการสถานที่ จนเงินทองมีเจ้าของเรายังมีอุบายมาเพราะอะไรเพราะเราทุ่มเทเวลาทุ่มเทการงานทุ่มเทกําลังทุกอย่างชน ะ, ะทางอื่นหมดไปทํางานให้เขาจึาได้ทีนี้การเราจ ะ, จะมาทุ่มเทเพื่ออัดเพื่อทำใครเล่าทุ่มเทได้ขนาดไหนเท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์กับเวลาที่เราทุ่มเทเพื่อการงาน สิ่งเหล่านั้นกระสุมแทงเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความสงบเมื่อเรามาเปรียบเทียบแล้วมันก็กําลังทางโลกมันมากกว่าทางธรรมมันก็ครอบทางธรรมได้เพราะเขามันใหญ่กว่าพอมาครอบได้แล้วเราก็มองธรรมมาเห็นเพราะมันอยู่ในกว่าสิ่งเหล่านี้มาครอบเราอยากรู้ธรรมอยากเห็นธรรมอยากมีเห็นอนุภาพบทบัท บาของธรรมอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะนิรมัยบันดาลความสุขความสบายให้แก่เราเมื่อมันไม่มีกำลังเช่นนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องบารุงกำลังความสงบจิตไปน้อมเพื่อการละน้อมเพื่อปความสงบเพื่อควา ม, มวิเว๊ เพื่อความสบายถ้าสติเราไม่ระลึกถึงมีอยู่มันก็เหมือนก็ไม่มีความสงบมีอยู่เหมือนก็ไม่มีม่จะความฟุ้งซ่านความรําคาญความเพลิดเพลินความมัวเมาความขนองไปตามอารมณ์ของจิตที่มันเคยเป็นไปเพราะเหตุ นั่นท่านจึงมีการให้หาสถานที่สงบจากภายนอกช่วยด้วยแล้วก็มีสติสัมรวมจิตให้อยนในคำรรคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อคุ้มครองอีกชั้นในอีกชั้นหนึ่งเมื่อคุ้มครองรักษาได้แล้ว มันค่อยวางค่อยละเอียดไปตามระดับค่อยมีความวิเวก ค, ความสงบไปตามระดับทีเรียกว่ ว, วิเจวากามีมันค่อยมีความวิเวกสงบสงัด จ, จากอารมณ์จากที่เราเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้กลิ่นเคยได้รสเคยได้สัมผัสโทษจะผะ จะสัมผัสอยู่ในกายของเราไปแล้ว น, นี่มันจะร้อนรู้สึกร้อนก็ตามรู้สึกนั่งเจ็บปวดก็ตามนีม่เรียกว่าทับผะปวดทับผะที่กระทบเ ย, ยนร้อนออกแขงเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็รู้อยู่แล้วอันนี้มันก็เป็นธรรมดา ถ้ากำลังสตกิกำลังเพียรของเราดีชนะสิ่งเย่า น, นั้นได้ขาดจิตมันไปเกี่ยวข้องเลยค่ะกับสัมผัสที่เรานั่งมันรู้สึกพอนั่งไปสักหน่อยพวกที่ฮัดใหม่ฮัดใหม่ที่จะอยู่ได้นานจิตคอยเคลื่อนคอยสงบไปเว่อันที่ปวดต้องกลายเป็นชา บอกอากหลังจากชาแล้วมันก็เบาเบาเบาเบามันคลายแล้วก็มันหายมันก็เรานั่งไม่ติดมันตัวของเราเบาเลือดล้มก็เดินได้คนมีสมาธิคนมีกายเบาคนมีจิตเบาถอยจนัความดันเลือดจะมากดันได้หมุนเวียนเลี้ยงหอวใจไปตามรดับไม่ขัดข้องไม่เห็นอาจารย์องค์ไหนนั่งสมาธินานๆแล้วก็เลือดหมุนเวียนไม่ได้ ไปเลี่ยงหัวใจไม่ได้เป็นโรคหัวใจจิบหายวายปวงตายไปหมดไม่เห็นมีครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติประจับรจิี่ยังมีอายุยืนบางองค์มีอายุยืนกว่าบางคนโดยช้ำไปเหมือนกับหลวงปู่แวนก็ทำานนั่งภาวนาอยู่ในป่าในเขาทรมานอดทนหลวงปู่เขาหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ เดูอ่านประวัติเต่ละองค์ละองค์ไม่เห็นท่านมีโรคมีภัยอายุสั้นพันตายเพราะโรคภัยเหล่านั้นกว่าคนธรรมดาที่เขาทนุบำรุงที่เขากลัวกันท่านเชื่อก ร, รมเชื่อผลของกรรมถ้ากรรม และผลของกรรมที่เรากระทำไว้แน่ดิอหนวยผลมาในปัจจุบันประกอบปัจจุบันโดยถึงเขาแล้วจะเกิดเป็นลูกเศรษฐีที่มั่งคังสมบูรณ์บริบูรณ์ไรก็ตาแม้แต่เป็นหมอเองเกยบางคนก็อายุสั้นมีหมอคนหนึ่งยังไม่แต่งงานเลยเจ็บป่วยพอรู้สึกว่าป่วย ในหลวงรับสั่งให้รักษาเป็นพิเศษไปอยู่โรงพยาบาลเซิรดาอยู่ไม่นานพ้นที่สุดตายจนได้ตัวเองก็เป็นหมอแล้วก็อยู่ในการดูแลสายดูแลเขาในหลวงด้วยถึงอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้ถ้าจะตาย บางคนพอครอดออกมากระตายยังไปท่านนั่งสมาธิพอจะจะเป็นโรคเป็นภัยเพาะนั่งกระตายไปก่อนพอาะนั้นแล้วยาไปเมื่อเราภาวนาแล้วอยาไปคิดกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตจะเข้าร่วมสู่ความสงบไม่ได้ต้อพิจารณาจนเกิดศรทัทธาเชื่อมั่น ในการกระทำจิตจึงจะปล่อยวางที่การสงสัยหรือการขวางจึงจะไม่ขัดขวางต่อความสงบการปฏิบัติไม่มีสิ่งใดที่สงสัยจึงปล่อยวางแน่วแน่ลงไปได้จึงจะตัดความกลัวได้ตัดความสงสัยลังเลได้จึงจะยอมเสียสละแล้วแต่บุญ ก, กรรม ได้ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นติดเข้าละเอียดไม่ได้เราควรพยายามพิสูจน์ดูจากจิตใจของเราเมื่อวานนี้เรานั่งก็ไม่เห็นเป็นไปก็ยังมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้เรานั่งมาหลายวัน ไม่เห็นหรอเป็นอะไรมากกว่าคนที่ไม่นั่งคนที่จะไม่นั่งก็ไม่เห็นเขาจะมีความสุขเท่าการไม่นั่งเหนือกว่าเราเท่าไร่ได้ความรู้ความฉลาดกว่าเราเท่าไรแต่เรายังไม่มีโอกาสรู้ความจิงที่มีอยู่ในจิตใจพวกเราว่าเขา เพราะที่จะไม่ให้ไดความละอายต่อบาปมีโอดต่าความกลัวต่อบาปไม่กล้ากระทํามีกายสะอาดไม่วาจาสะอาดมีจิตใจสะอาดเพราะความเชื่อในหลักทำอันเป็นความจริงเรียกว่าสัจธรรมเป็นสิ่งที่มั่นคงที่งเราพิจารณาให้ จิตนั้นได้รู้ได้เห็นความจริงมากเท่าไหรศรัทธาความเชื่อมันก็มากขึ้นเมื่อความศรัทธาความเชื่อมากขึ้นความเสียสละมันก็มากขึ้นในสิ่งที่เราควรเสียสละความส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติให้มีกําลังในทางการปฏิบัติเพื่อละ ใช่ใ่ไดีก็มีกำลังเพิ่มพูนขึ้นอีกถ้าเราทำทุกวันทุกวันมันค่อยจำนานมันอยู่ตัวแล้วมันก็เป็นผลกำไรชีวิตเพิ่มพูนความจริงจริงนไปจนจิตของเราเป็นธรรมแล้วเราไม่ต้องฟังเทศที่อื่นยากตาเห็น อะไรก็กลับกลายมาพิจารณาให้เกิดเป็นธรรมจะเห็นสิ่งที่ดีก็เอาสิ่งที่ดีนั้นมาเป็นธรรมถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบก็าสามารถจะยึบยกรื่องไม่ดีไม่ชอบจากการเห็นจากการได้ยินจากการสัมผัสถูกตอให้เป็นธรรมเกิดความสะอาดในใจเกิดความสงบเกิดความสุขในใจได้ แต่จิตของเราเป็นธรรมแล้วเพราะฉะนั้นควรพยายามแก้ไขจิตใจของเราให้น้อมไปทางธรรมน้อมไปการลกทางระลึกนอนน้อมไปในทางรู้ตัวน้อมไปในทางกําหนดรูปน้อมไปในทางละสิ่งที่ควรละน้อมไปพยายามเพื่อจะเจริญปฏิบัติให้มีสิ่งที่ควรเจริญควรปฏิบัติให้มี สิ่งที่ควรเจริญก็คือเจริญกายรูคกายเออเจริญจิตคำว่ า, าเจริญจิตก็คือการระลึกอยู่หนึ่งหนึ่งระลึกอยู่เรื่อยเห็นรูปเรื่อยเชื่อว่าเราคุ้งครองตัวของเราเรารักษากายของเราเรารักษาจิตจิตเมื่อได้รับการรักษาก็เป็นจิตที่ ใช้การใช้งานได้ดีกายเมื่อได้รับการรักษาก็เป็นกายกายที่ใช้การใช้งานได้ดีใช้การใช้งานไปในทางที่ดีเพื่ออัจเพื่อทำจะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงบสุขหมดจดความบริสุทธิ์ถ้าจิตถึงสภาพความบริสุทธิ์หมดจด จากเครื่องเศร้ามองมีกิเลสโลกโกรดลงเป็นต้นแล้วความสะอาดความผ่องใสในจิตใจปรากฏขึ้นมาเมื่อจิตนันผ่องใสสะอาดก็สามารถมองเห็นชัดไม่มัวเหมือนกับ น, น้ำที่สะอาดสิ่งใดตกลงไปสิ่งก สีเขียวก็เห็นเป็นสีเขียวสีแดงก็เป็นสีแดง ส, ดสีดำก็เป็นสีดำเพราะน้าสะอาดถ้าสิ่งนั้นนั้นไปอยู่กับน้ำผุดพ่วมลงไปมองไม่เห็นเลยถ้าจิตของเราไม่สงบไม่สะอาดอยากรู้อัดรู้ทาอยากตัวเนี่ยมันก็ รู้ได้ยังความสงบเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยหรืออันนี้เราถูกทางตัวของเราเองเมื่อเรามีแก่จิตแก่ใจไม่เคยยอมแพ้ต่อศัตรูที่มาทำเจริโ ม, ม, ม, ม่มองเราก็ต้องตอบว่าไม่เหลือวิสัยเมื่อมันคิดทางไม่ดีได้มันก็ต้องคิดในทางที่ดีได้ เมื่อมันฟุ้งซ่านได้มันก็ต้องสงบได้เมื่อเราไม่ฟุ้งซ่านรใครจะฟุง้งซ่านแต่เราต้องสอบแก้เกี่ยวกันอยู่อย่างนี้แหละอย่าให้มันออกไปที่อื่นปฏิบัติเรามันเพลิพลินนักหมุนอยู่นี่นะเห็นหมุน